เรื่องหญิงต้องการถวายทานอันเลิศหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งถามภิกษุที่นางอุปธรรมว่าพระคุณเจ้าดิฉันจะถวายอะไรดีแก่พระคุณเจ้าน้องหญิงถ้าอย่างนั้นเธอจงถวายทานอันเลิศพระคุณเจ้าอะไรเชื่อว่าทานอันเลิศเมถุนธรรมท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษหรือนอ